สุดตันตปิดกและอภิธรรมปิดกนอกจากนี้ตัวอย่างการจัดระเบียบวินัยในการสวดปติโมกข์ลำดับสิกขาบททุกกึึงเดือนตามพระพุทธบัญญัติและการจัดระเบียบธรรมะให้สังคีติสูตรและทสุตรระสูต ร, ตรที่พระสาริบุตเสนอไว้กับตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงวิธีจัดระเบียบพระธรรมแก่พระจุนธะเทระ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 ต่างจากการสังคยนาอย่างไรการสวดปาติโมกคือการว่าปากกล่าวหรือการสวดข้อบัญญัติทางพระวินัย150ข้อในเบื้องแรกและ227ข้อในการต่อมาทุกๆุกึก่งเดือนหรือ15วันเป็นข้อบัญญัติทางพระวินยัยที่ให้พระภิกษุทั้งหลายต้องลงฟังการกล่าวทบทวนข้อบัญญัติทางพระวินัยนี้ทุกสิบ้าวัน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 คือประชุมสงฆ์จัดระเบียบหมวดหมู่พระพุทธวจนะแล้วรับทราบทั่วกันในที่ประชุมนั้นว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วก็มีการท่องจํานําสืบต่อต่อมาในชั้นเดิมการสังคยนาประรัเหตุความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาจึงจัดระเบียบหมวดหมู่พระพุทธวจนะไว้ในครั้งต่อต่อมาปรากฏมีการถือผิดตีความหมายผิด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 พระอนุ์เป็นผู้ตอบข้อซักถามทางธรรมมีพระอาหารหันต์ประชุมกันห้าร้อยรูปกระทาอยู่เจ็เดือนจึงสำเร็จในการนี้พระเจ้าอาชาศัตรูทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์สังคยนาครั้งนี้กระทาภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานล่วงแล้วได้สามเดือนข้อปรากฏในการสังคยนาคือพระมาหากัสปะปรารบถ้อยคำของภิษุชื่อสุพัทะ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 จึงนำเรื่องเสนอในที่ประชุมสงฆ์แล้วเสนอชวนให้ทำสังคยนาร้อยกรองจัดระเบียบพระธรรมวินันซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบมีข้อน่าสังเกตว่าประวัติการทำสังคยนาครั้งที่1และครั้งที่สองมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่7จุนุลวัคอันแสดงว่าประวัติเรื่องนี้คงเพิ่มเข้ามาในวิไนปิฎกในการทำสังขยนาครั้งที่สาม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 สังคายนาครั้งนี้กระทําภายหลังที่พระพุทธเจ้าปริณิพานแล้วได้หนึ่งรปีข้อปรากฏในการทำสังคายนาครั้งนี้คือพระยะสะกากันดกบุตรปรารบข้อปฏิบัติย่อหย่อนสิประการทางพระวินัยของพวกภิกษุวัชีบุตรเช่นถือว่าควรเก็บเกลือไว้ในแขนงคือเขาสัตว์เพื่อเอาไว้ฉันได้ตะวันชายเกินเที่ยงไปแล้วสองนิ้ว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 ที่กล่าวถึงสังขยาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไม่มีกล่าวถึงคำว่าไตรปิฎกเลยแต่ถ้ากล่าวตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือสมนตปปัสสธิกาซึ่งแต่งขึ้นอธิบายวินัยปิฎกเมื่อพุทธบริณิพนธ์ล่วงแล้วเกือบพันปีท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าการทำสังขยาจัดประเภทพระพุทธวจนะเป็นรูปพระไตรปิฎก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 มีเพียงครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองส่วนเรื่องการสังคยนาครั้งที่ส ม, มีปรากฏในชั้นอัตถกถาอันพอเก็บใจความได้ดังนี้สังคยนาครั้งที่สกระทำที่อโศการามกรุงปาตาลีบุตรประเทศอินเดียพระโมคคลีบุตรติสสะเทระเป็นหัวหน้ามีพระสงฆ์ประชุมกัน 1,000 พันรูปทำอยู่9เดือนจึงแล้วเสร็จ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 โดยมากออกนามเฉพาะท่านผู้เป็นหัวหน้าสังคยนาครั้งที่สการสังคยนาครั้งนี้ผสมกับฝ่ายมหายานกระทำกันในอินเดียภาคเหนือด้วยความอุ ป, ปรธรรมของพระเจ้ากนิสกะได้กล่าวแล้วว่าสังคยนาครั้งนี้ทางฝ่ายเทรวาทคือฝ่ายที่ถือพระพุทธศาสนาแบบที่ไทยลาวเขมนพมา่ลาลังกานับถือ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 และในปีพุทธศักราช238ก็ได้ทําสังคยนาในลังกาเหตุผลที่อ้างในการทําสังคยนาครั้งนี้ก็คือเพื่อให้พระศาสนาตั้งมั่นเพราะเหตุที่สังคยนาครั้งนี้ห่างจากครั้งแรกประมาณ3ถึง4ปีบางมติจึงไม่ยอมรับเป็นสังคยนาเช่นมติของฝ่ายพมา่าดังจะกล่าวข้างหน้า